ท่านสาธุชนพุทธ 25 ธันวาคม 2531 ที่บอกว่า 5 หนังสืออัน 5 ตอน 5 ในตอนนี้ให้ชื่อ 4 แยกของชัยนาท แต่ว่าถ้านิทานจะไปตรงกับความเป็นจริงก็เป็นเรื่องนิทานบังเอิญไปชนเข้าในท้องเรื่อง 3 แถวแถวละหลาย ยืนอยู่แต่อาตมาก็ไม่ หลังจากนั้นก็มีใครใครพวกพวกพวกเพื่อนและบรรดาท่านมีหนึ่งแต่เขาลูก จะไม่บอกชื่อก็มีมหานาคาซึ่งอยู่ที่เขาลูกนั้น แล้วก็เป็นของทรัพย์สินใน <c oughs> <c oughs> มีน้ำหนัก 13 ตันเศษแล้วก็มีทองรูปพันธุ์มีสร้อยเพชรมีแหวนเพชรมีแหวนทองคํามีแท่งเงินมี จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็น 1 ประเทศจังหวัดลำพูนก็เป็น 1 ประเทศ แต่ละเทศก็มีเจ้าปกครองนครที่เรียกกันว่าสมัยนี้เรียกว่า แล้วก็ไปไม่ถึงตากแยงกําแพงเพชรก็ถือ คือจะเป็นผู้แต่เป็นอะไรเป็นทายาทเป็นเรื่องเป็นทรัพย์สิน <c oughs> นายเพาะอย่างยิ่งสมัยอยู่ที่วัดวังคลองมะขามแท้ โดยเหตุผลของท่านตามนั้นเป็น ถ้าเข้าไปในถ้ําเจีย ท่านบอกว่ายามปกติแผ่นหินที่ทับถมอยู่มัน หลังจากท่านไปบอกแล้วเขียนตามท่าน การ 2 แม่พบทองละเจนแน่ใจในบุคคลได้ จะเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ญามปกติก็สามารถจะทรงศีลได้เวลาที่ไม่พบอะไรแต่เห็นทองก้อนใหญ่เข้าความโลภ ว่าหยิบเอาไม่เป็นที่พอใจดีไม่ดี แต่เวลานี้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากความได้เพราะเห็นโทษเห็นทุกข์ อดีตที่ละหมาดถึงบอกว่าเวลานั้นเนี่ย ก็จริงๆด้วยสายท่าน แล้วจะมีบุคคลใดบ้างๆในบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยมากก็ มีเพราะเงินรายรับในไม่พอจ่ายก็ยังไม่จ่ายเงินส่วนตัวมีไม่จ่ายปล่อยให้พวกมหรสพบ้างเครื่องกระแสไฟฟ้าบ้างเครื่องคุมในงานต้องรอการเป็นหนี้ข้อจริงเค้าก็จ่าย ในเมื่อตัวและท่านพ่อก็รักษาไว้ให้วิลลานี้ก็ขอมอบ เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสถานที่ตรงนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้า ตอนนี้ว่ากันเรื่องเสาศัพท์หินส่วนนี้ทับพับกันไปแล้วนะ ฉะนั้นจึงมีต้นไม้ขึ้นดินนอกจากต้นไม้ก็นี่มี ท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สมัยนั้นท่านยังมีนั่นคือเทวดาหรือผีแต่เมื่ออาจารย์ผู้นั้นธัมมรณภาพ เป็นอาจารย์ต้นต้นเป็นคฤหัสถ์แต่ว่า ถึงวันถึงปีกำหนดที่จะต้องทำบุญเพื่อบำรพท่านจัดงานทันๆและการ ได้ว่าสอนตรงไปตรงมาทำหลักเกณฑ์ของพระพุทธศาสนา ผมก็ได้แต่เพียงเทียบเคียงไปครับถามท่านว่าเป็นเพราะอะไรอาจารย์ท่านบอก ขอประทานอภัยด้วยก็ดีนะว่าไม่เนื่อยเปล่าแต่ช้า มันจึงง่ายขึ้นเยอะและ 10 เป็นพระอรหันต์ 5 เป็นพระอนาคามี 3 กิริยาละเอียดดีเป็น 3 ตะจิตยังหยาบเป็นพระ 3 เข้า ถ้าเรา ถ้าอย่างกลามเป็นโสดาบันอย่างกาลเกิดเป็นคน 3 ชาติเทวดาหรือ แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง แต่ก็ดีอย่างพุทธภูมิพระศาสดาเรียกว่าดีอย่างถ้าบริษัท และผีที่นี่ เรื่องเทวดาเรื่องผีนี่พระพุทธเจ้าพูดไว้ในที่ทุก เหลือใช้หรือสอยเหลือกินเท่านี้สามารถเห็นผีเห็นดวงใดว่านรกสวรรค์มีจริงผีเทวดามีจริงคนที่ว่าไม่ เห็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเห็นสีเหลืองเป็นสีแดงเห็นสี ต่อไปก็เทวดาท่านมีวิมานอยู่คุยกันขอพูดเรื่องเทวดาเวลา <c oughs> ประเพาะอย่างยิ่งในเมืองชัยนาทในเวลานั้นเทวดาที่คนเมืองชัยนาทรู้จักมากก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พลเรือเอก บางท่านเรียกว่าปลังแต่กรรมหนุนพรท่านเรียกว่าไผ่อีกท่านหนึ่งคือท่านทองดีเทวดาชั้นดาวดึงส์แต่ท่านนี้ไม่ได้มาประจํา ตอนนี้ก็มาคุยกันที่ว่ากมลหลงยุพพลเขตอุดมศักดิ์กรสําหรับก็ท่านกมลหลงยุพพล ในบังบนกลงหรื้งผล в Himphal beneath the perfect charge on everything you show me afterößAre Rareful. ใ?' invece an anya for this. denke that you are peaceful from earth. looks like you are always peaceful when i have the first fight when happening. if we need some stability in the physical surface. then youян't to be the best out. if you'll be the everyday system of authority. ใครจะช่วยก็ต้องขอต่อว่าท่านไม่ได้ช่วยแบบไม่จริงท่านไม่ช่วยเลยก็ ถ้าช่วยก็ศักดิ์เทวะช่วย 2 นาทีเราก็มาพูดถึงและ ถ้าต้องการความดีต้องการความสุขให้ ที่พูด 2 ข้อนี่พระ 4 ข้อนี่ 4 ประการคือ 1 ทางการ ถ้าเราขาดข้องเขาให้เราเราก็รักในเขาเขาขาดข้องเราให้เขาเขาก็เร ข้อที่ 2 ไม่พูดเลอะเทอะเหลวไหลทำลายประโยชน์อาราบรรดาท่านพุทธบริษัทพูดจบสวัสดี